Book two. 2ูเก b าบุ๊วันธรรมะฟิมยิมาฟะคือธรรมฟิมมาฟะควันจันบิปะบลิปะ วันอังคารรุบจ์บจุจวันพุธเบรสก์จีเบรสก์จีวันพฤหัสศบบุกมฟักมาฟัก ว, ก ว, วันศุกร์เบรสกชเบรสกช วันเสาร์ชมบดชมบดวันอาทิตย์ทมัฟทมัฟสัปดาห์อาทิตย์ทามัฟทามฟตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์บลีพมชูบลีาห พอมาฟัมนสบลิปมชูบลากูพอมาฟัมนสวันที่หนึ่งคือวันจันทร์อัประมาฟิรบล ป, ป, บลปวันที่สองคือวันอังคารยาตุนรมาเฟอร์กบจ วันที่สามคือวันพุธวันที่สี่คือวันพฤหัสบดี วันที่ห้าคือวันศุกร์ยัดฟนมาฟรบรสกัชวยฟนรมาฟรบรสกัชวันที่หกคือวันเสาร์ยาเนมาฟรชัมดยาเนรมาฟรชัมบบดวันที่เจ็ดคือวันอาทิตย์ ยาบเนรมาฟรทาวมาฟยาบเนรมาฟรทาทมาฟหนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวันทามาฟรมาฟิบลูเซดท่ามาฟมฟิบลูเดเราทำงานเพียงห้าวันเต้มาฟิตฟนอปทซลยจร تا ما فيت فنقب تزلج ا رر.